สิกขาบทที่4เรื่องพระชับพคี630สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันารามของอนาถาดินทิกะเศรษฐีเขตรุงสวัสดีครั้งนั้น พ, พู้ภิกษุฉับพคีฉันเลียริมฝีปากพระบัญญัติ 4. พึงทําความสําเนียกว่าเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเรื่องพระชับพคีจบสิกขาบทวิพัง ภิกษุไม่พึงชันเรียริมฝีปากภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อชันเรียริมฝีปากต้องอบัตทุกกฎอาณาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข้5ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง6กภิกษุวิกลจริต7จภิกษุต้นบัญญัติสิขาบทที่4จบ